ใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆบหลับตาเบาๆพอสบายๆบยผ่อนคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ น, นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาเบสบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยกับองค์พระก็ ตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสใจอยู่ที่นกลางองค์พระแก้วใสใสยอย่างเบาเบาสบายสบายเบาเบาสบายสบาย ใ้แตะไปเบาๆสบายๆให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆค่อยๆประคองใจให้อยู่ภายในนะจ๊ะโดยที่มีกดลูกนตรามแบบ ก็อมองให้นึกง่ายง่ายสบา ย, บายใจใสใสเย็นเย็นถ้าเปลือกตาเราปิดพอดีพอดีจะทำให้การ รวมใจไว้หยุดนิ่ ง, งที่กลางกายนิ่งง่ายนึกถึงดวงหรือองค์พระกอ ง, ง่งยสำหรับนักเรียนใหม่ก็ค่อยๆนึกไปเา่เาๆชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนไม่ชัดเจนก็ทำความรู้สึก ว่ามีดวงใสๆเหมือนเพชรสักเม็ดหนึ่งก้อนใหญ่ๆหรือทำความรู้สึกว่ามีองค์พระใส ๆ, ๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แม้อยังนึกไม่ออกก็ให้ทำความารู้สึกว่ามีอยู่่างกายเงอ น, นจากกลางท้องเราขึ้นไปก่อน ร่วมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอโดยให้เสียงดัองออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหัง ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใส่ใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใส่ใสใจอยู่ในกลางองค์พระใส่ใสประคองใจกันไปอย่างนี้นเลจ้ะหยุดใจใจหยุดหยุดใจแรกเนี่ยหยุดแรก ก็จะยากสักนิดแต่ยากไม่มากยากพอสู้ยากคือมันไม่ได้ดังใจเราที่เวลาเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันง่ายมันได้ดังใจมันชัดแจ่มกระจ่างเลย ถ้าพละหลับตาจะหเห็นภาพเนี่ยภายในเรานักเรียนใหม่ยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเหมือนเราอยู่ห้องมืดมืดเราทำนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้สายตาคุ้นกับความมืดในห้อง สักพักพเราคุ้นเคยเราก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราพอที่จะคลำหนทางไปสู่ประตูหรือที่ที่เราจะไปได้หรือไปหยิบวัตถุสิ่งของได้ภาพภายในใจก็เช่นเดียวกัน ใหม่ๆมันก็เป็นมนโนภาพที่เราสมมุติขึ้นมาต่างแต่ว่าเรานำมาตั้งในตำแหน่งที่สำคัญของชีวิตคือสูนกลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นตำแหน่งความสุขความสมปรารถนาความสมหวังในชีวิต วชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆนั่นคือความสุขตามความเข้าใจของเราความสุขไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปตรงนั้นโดยคิดว่าตรงนั้นสิ่งนั้นคนนั้นจะทำให้เรามีความสุขได้ใจก็ จ, กจ ะ, ะแสวงหา ความสุขจากที่ที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าอยู่ที่คนกับไปดีคนคิดว่าอยู่ที่สัตว์กับไปตีสัตว์คิดว่าอยู่ที่สิ่งของกับไปทีสิ่งของคิดว่าอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองลาบยอดเสริสอํานาจภาสนาตาแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆเราก็จะไปตรงนั้นไปสู่ตาแหน่งนั้น แต่ว่าพอไปถึงตำแหน่งนั้นจริงๆนั่นแหละระู้คดว่าเรายัางไม่สมหวังตรงนั้นไม่เคยให้ความสุขอย่างที่เราอยากได้บางครั้งกลับมีปัญหาและแรงกดดันเกิดขึ้นที่ต้องคอยแก้ปัญหาไปรักษาตำแหน่งไปอะไรต่างๆเหล่านั้น คือมันก็มีปัญหาแรงกดดันเยอะแยะพระเจดเดิมเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าความสุขมันอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเราเจองไม่เจอความสุขเลยเพราะในทุกๆตำแหน่งนี่ยเราผ่านมาเนี่ย มันไม่ใช่ตําแหน่งที่จะให้ความสุขได้ไม่ว่าจะตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในฐานะต่างๆนานาอย่างนั้นจะมีตําแหน่งอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยเป็นตําแหน่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้ความสมปรารถนากับเราได้ ก็ให้ความสุขอันไม่มีประมาณคราได้ในความพึงพอใจก เ, เราได้จนเราไม่อยากจะได้อะไรอีกเลยตำแหน่งตรงนี้ที่สำคัญมันอยู่ในตัวในกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งเรามองข้ามไปเราไม่เคยมองเข้าไปเลยเราไม่เคยไปยินใครสอน หรือแม้ใครสอนเราก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญดูเบาไปเราจะเห็นความแตกต่างได้เมื่อใจเรามาหยุดตำแหน่งตรงทานที่เจ็ดตรงนี้และหยุดให้มันให้ได้ถ้าหยุดได้เราจะเห็นความแตกต่างอย่างมากมายเลยเดียว ที่สื่อกลางกายด่านที่เจที่มันยากเราคุ้นเคยกับตําแหน่งข้างนอกตําแหน่งบุตรภรรยาสามีนักเรียนครูบาอาจารย์พ่อแม่ขุมข้าพันชาผู้ด่ายังขบาพันชาเศรษฐีมหาเศรษฐีตำแหน่งทางการเมืองตําแหน่งอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันจะแล่นไปอย่างนั้นด้วยความคุ้น เดี๋ยวความคุ้นมันก็จะไปอย่างนั้นเหมือนนกเราปล่อยมันก็ บ, บินไปในอากาศปลาปล่อยก็ลงนะ้าไปตามที่มันคุ้นเมนเคยมันจึงยากในตอนช่วงแรกแต่ถ้าเราฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชานำใจมาอยู่ที่ตรงนี้โดวยววิธีง่ายๆ ง่า ย, ายสบายวิธีที่เรานึกไปถึงน่ยมันจะง่ายอย่างนี้พอเราโมไปตามสิ่งที่ยากยา ก, ยากจนยุ่งเอาใจกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็อยู่ไปในก็ช่างมัน ภาพภาวนาสมารหังสมาระหังเรื่อยไปเลยใจหยุดถูกส่วนเข้าทางนั้นแหละมันจะเกิดความรู้สึกโลง่งตัวโลง่งคำว่าโล่งใจเนี่ยชาวโลกเขาขอยืมมาไปใช้เวลาทุกข์มันลดลงหรือปัญหาลดลง เขาก็บอกว่าบาลุงใจแต่จริงๆแล้วไม่เคยรู้จักเลยโล่งใจเราจะรู้จักต่อเมื่อมีประสบการณ์ภายในเมื่ใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายคอยหยุดถูกโวนสนิทตัวก็จะโล่งเลยใจจะโล่งเหมือนอยู่ที่ลงโลงโลงเบาสบาย พอสบายตัวก็จะขยายความรู้สึกของเราขยายรู้สึกาใจขยายกายขยายขยายาโตใหญ่จนกระทั่งกลมกลืนกับก บ, บรรยากาศเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศเป็นอันหนึ่งันเดียวกับที่โลง่ลงๆกกว้างและใจก็จะใสเย็น มีปีติมีความสุขสบายกายสบายใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคลาดกับที่ลงวางนั้นมันจุไปด้อนุงความสุขที่หนาแ น, น่นเป็นสุขอยู่ภายในเมื่อใจหยุดได้นะจ๊ะเพราะหยุดแรกได้ ยึดสองยึดสามยึดสี่ยึดอินฟินิตี้มันก็ได้มันจะนิ่งปัจจายนิ่งมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในโดยจะมีแสงสว่างสองทางชีวิตคำนี้จะเราขอยืมเอามา้ใจนะทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักแต่เราจะคุ้น แสงสว่างสองทางชีวิตแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยนะแสงสว่างสองทางชีวิตจะรู้จักเมื่อหลับตาแล้วไม่มืดเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราหรือไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตใหม่หลังตายแล้วจะเป็นแสงสว่าง ที่เจิดจ้าละมุนละไมกว่าแสงใดๆในโลกจะให้ความพีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาเลยทั้งในมนุษย์และในประโลกในโลกใหม่หลังชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วนี่แหละจ้าทั้งยิ่งเรียกว่าแสงสว่างส่องทางชีวิต ใจมันก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆ เ, เคลื่อนกันไปสู่ภายในที่กว้างหวางใหญ่โตไปเรื่อยๆโดยผ่านจุดเล็กๆใสๆที่กลางกายทางนั้นแหละจุดเล็กๆใสๆแล้วก็จะไปเห็นของจริงที่อยู่ภายในความรู้จะเกิดจากการเห็นแจ้ง ที่เขาเรียกว่าปัญญายะปัจติภาษาบาลีที่เราว่าฟังไม่รู้เรื่องคือดวงปัญญาหรือความรอบรู้เกิดจากการเห็นที่ว่าปัญญาเป็นเครื่องเห็นนะหมายความว่าเห็นแล้วเข้าใจรู้เรื่องจะเห็นเป็นภาพขึ้นมา ในขณะที่เรามปสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ยิ่งกว่าปกติสติก็เป็นมหาสติเกิดขึ้นปัญญาก็เป็นมหาปัญญาเร็วยิ่งกว่าปกติและจะเห็นภาพภายในตั้งแต่ดวงใสๆเป็นดวงประจําชีวิตของเรา ถ้าได้ดวงนี้แล้วก็เราเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองจะอยู่ป่าอยู่เขาห่วยน้องคลองบึงอยู่ใต้โคนม้อยเลื่อนว่างป่าช้าป่าชัดที่ไหนไหนในโลกก็อยู่ได้ทั้งสิ้นเลยมันเป็นอิสระอิสรภาพทางใจที่ใสบริสุทธิ์ มีความสุขด้วยตัวองตัวเอ ง, องไม่ต้องไปพึ่งพิงวัตถุหรือสิ่งอื่นจะมีกระเพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นแหละปัจจัยที่ห้าหเจดปดไม่มีสี 4, ่ก็พอประมาณในระดับกินอยู่ใช้แต่พอดีคือจะรู้สึกว่ามันพอนหะ พอถึงจุดถึงความดีสุกกายสุกใจแล้วมันพอมันจะพอดีของมันนเราจะรู้จักคําว่าพอดีต่อเมือ่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละแค่ไหนพอดีพี่เราจะกินอยู่ใช้แต่พอดีพอพอถึงตรง น, นี้เมื่อใจเคลื่อนกับไปสู่ภายใน มันจะเห็นหนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่เดเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เนะี่ยเรามีเวลาอย่างจำกัดในโลกนีนะ้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแบบประหยัดสุดประโยชน์สูงมีชีวิตเรียบง่ายแต่สูงส่ง มีสุขรุลนที่ไม่มีทุกข์ในใจเจือเลยเนี่ยแม้ยังไม่หมดกิเลสอย่างบริบูรณ์แต่ความบริสุทธิ์ของใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและจะเห็นดวงเห็นกายภายในเห็นองค์พระพระรัตนตรัยที่อยู่ภายใน พระสมมสมุติเจ้าท่าตรัสไว้ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่มนุษย์เมื่อมีความทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งแล้วก็สร้างพระเจ้าขึ้นมาสร้างที่พึ่งที่ระลึกขึ้นมาโดยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งได้จะต้องยิ่งใหญ่สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่ง หรือว่าสิ่งนี้อยู่ที่ตรงไหนก็จะไปกราบไหว้ตรงนั้นล้วก็อยู่ที่ต้นไม้ก็จะไปไหว้ต้นไม้นี่ก็อยู่จอมปลวกก็ไปที่จอมปลวกแล้วก็อยู่ที่สัตว์ที่ประหลาดก็ไปไหว้สัตว์ล้วก็อยู่ที่ภูเขาอารามศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ไปอย่างนั้นจนกระทั่งไหนสุดไม่อาจจะสัมผัสได้ก็เลื่อนลอยกันไปอย่างนั้น ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะมันอยู่ภายในคือพัะราตนาตรัยที่อยู่ภายในตัวส่วนพัะราตนาตรัยภายนอกเขาจำลองจากภายในมาออกสู่ภายนอกใายรู้จักว่าข้างในมีอย่างนี้แต่เมื่อยังไม่เห็นข้างในก็ดูข้างนอกไปก่อนทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วจึงจะเห็นได้ เมื่อเห็นแจ้งก็รู้แจ้งความรู้แจ้งเกิดจากการเห็นแจ้งก็เรียกว่าตัสรู้คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นได้เมื่อนำใจกลับมาหยุดหนึ่งอยุดศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้แหละชีวิตของบรรพชิตจะ ง, ง่ายกว่าของคองรหัต เพราะของคราหัดมีเครื่องพันธนาการของชีวิตมีครอบครัวมีธุรกิจการงานบ้านช่องท่างเกี่ยวข้องกัแบบสิ่งนู่นสั่งนี้คนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นบางอย่างก็จาเป็นบางอย่างก็ไม่จาเป็นบางอย่างก็มีโทษมีภัยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัย ที่เกี่ยวกับตัวไม่ใช่ไกลตัวหรือไกลตัวก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนรหัสนั่นะเหมือนอยู่ที่แคบมันจะอึดอัดมีเครื่องพันธนาการของชีวิตกลางคืนเป็นควันกลางวันก็เป็นไฟแล้วก็วันๆก็วนเวียนก็บ น, บนกอยู่อย่างนี้แหละ เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาของชีวิตไปแล้วก่อนวัยอันควรมึง่งเท่าอายุไขเฉลี่ยมนุษย์บางเกินกว่านั้นก็มีน้อยก็วนๆเวียนๆกันไปอยู่อย่างนี้แหละจะมีโอกาสมาให้โอกาสตัวเองให้กองขวัญก็ตัวเองมาปฏิบัติธรรมก็ น้อยมากเพราะว่าเวลาถูกดึงไปใช้อย่างอื่น 24, 24ชั่วโมงตั้ง1วันนะแบ่งเป็น3ช่วง8ชั่วโมงสำหรับการาพรักผ่อนอีก8ชั่วโมงในการบริหารขันเป็นแต่อาบน้าล้างหนะ้าแปรงฟันรับประทานอาหารกับทายเป็นต้นอ x กซิเตอที่เหลือก็ทำงาน เมื่อจริการทำงานล่วงเวลาไปกินเวลาอีกสองส่วนก็จะมีเวลาแบ่งให้สําหรับการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่ค่อยจะมียิ่งผัดปล่อนไม่เห็นความสําคัญในสิ่งนี้เราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ไม่มีประสบการณ์ภายในชีวิตก็หมดไปตบเปล่าเหมือนนกเหมือนกาเน่ยทีตื่นขึ้นมากะร้องกาออกไปทำมาหากิน ตอนเจ็ก็ล้อกก้าบเข้านอนชีวิตกระหัดยังเหมือนอยู่ที่แคบอยู่ที่แคบแล้วมันจะอึดอัดแต่ก็หาทางออกได้แต่ชีวิตของสมณะของบรรพิติศรัทธาบวชจะว่างกว่าชีวิตถึงครหัดคือเราไม่ต้องไปทำตรงนั้น แต่เรามาสู่จุดหมายในการทำพระนิพพานให้แจ้งเลยเป็นอยู่ด้วยแค่ปัจจัยสี่ น, น, นิกิตเตนัยที่เกิดจากการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาดเยิ้มเกื้อกูลในการสนับส น, นุนและให้กำลังแห่งการดัตตุธธรรมไตบาทสนับสนุนเรื่องเซนาสนะเรื่องจีวอน เรือ่องยารักษาโลกเรื่องบริการทัิที่จำเป็นส่วนพุทธบุตรก็เป็นครูสอนศิลธรรมจักโมยมญาติโยมละชั่วทำความดีทำใจให้ใสเดียทานโดยศีลเดยภาวนาต่างก็เกื้อกูลกันไปซึ่งกันและกันชีวิตสมณะจึงเป็นชีวิตอันประเสริฐ ที่เลยไปชีวิต ท, ทั้งหลายยิ่งหวังคารวาะเหมือนออกมาจากที่แคบสู่ที่โล่งกว้างกว้างขวางไปเรื่อยๆดังก็บเป็นตัวอย่างของผู้มีบุญในการก่อดมีพระสมมาสมบูริจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นซึ่งเป็นคุระบุตรออก จากเรลือนจากตระกูลต่างๆละเห็นโทษภัยในสังสารวัตรและการคลองเลือนของบรรดาการของชีวิตเมื่อมีโอกาสว่างแล้วบวชแล้วไปทำตามโอวาทของพระอุปชาที่ประธานโอวาทในวันบวชก็ทำตามคามสอนพระสมมติเจ้า ชีวิตนัก บ, บวชนี่ก็ประเสริฐที่สุดแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะทีเดียวภายในเมื่อใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงดวงเข้าถึงกายเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในเมื่อเข้าถึงธรรมกายภายในจะเกิดธรรมจักขุเป็นดวงตาที่เห็นได้รอบตัว ทางอดีตปัจจุบันและอนาคตเห็นหนึ่งไหนยานทัศนะก็ไปถึงตรงนัง้นอิธรรมจักขุมียานทัศนะจักขุยญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นอยูนอนยเอย่เป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขประกอบกิจวัตรกิจกรรมก็เป็นสุขเมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นดีพึ่งบายใน มาเป็น่ิพึงภายในกับตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึงกับผู้อื่นได้แก่โยมพ่อโยมแม่ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เทวดาสรรสัตว์ทั้งปวงนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าบวชแล้วก็ต้องเรียนต้องปฏิบัติแต่ทั้งพระทั้งโยมให้โอกาสตัวเองเนี่ยทความเพียรได้อย่างนี้ ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ก็มีกำไรชีวิตกำไรชีวิตเขาดูที่ว่าเราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในแค่ไหนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมไหมหนทางสวรรค์ของเราเปิดขึ้นแล้วหรือยังอย่างนี้ถึงจะดีกว่ากำไรชีวิต ไม่ใช่ดื่มเหล้เาเจ้่ชู้เล่นการบรรนันวัยวาบุกต่างๆไปสู่ไปเสพอะไรต่างๆแล่านั้นแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่านั่นคือกำไรของชีวิตจริทๆเป็นการกาดทูนชีวิตจะต้องไปใช้ชีวิตใหม่ในอบบายอีกยาวนานซึ่งทุกท ร, รมานยังไม่มีอะไรเปรียบได้ยาวนานทีเดียว ประด็นนี่การฝึกใจให้หยุดนงนี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้เราได้บรรลุวัตถุปร ะ, ประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในการใช้ชีวิตยังมีคุณค่าอย่างสูงส่งทีเดียวหลับเป็นทุขอ่างนอนยืนเดิมเป็นทุขไม่ใช่หลับเป็นทุกข์นี่เลยจ้าพี่นันเนีย มันฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจมันใสๆสเย็นเย็นเกิดมากันชาติหนึ่งก็ต้องให้เข้าถึงแสงสว่างภายในดวงธรรมภายในรู้จักชีวิตใหม่ภายในเป็นชั้นๆจีซ้อนๆกันอยู่ก็ตงรู้จักพรันตนาัยในตัว เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้รูทุกคนต่างนั่งไังไปเงียครงีบประครับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยการตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนานในใจเบาๆ ว่าสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังเลื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันแบบเงียบ